บทภาชณีสำคัญว่าไม่ใช่ญาติตุกะที่หนึ่งห้าภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สักขนเจียมต้องอบัติออนิสัทธิยาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สักใช้ให้ย้อมขนเจียมต้องอบัตทุกกดกับอบัตนิสัทธิยาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติ ใช้ให้สักใช้ให้สางขนเจียมต้องอบัตทุกกกับอบัตน wow ิสักคยาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาตใช้ให้สักใช้ให้ยอมใช้ให้สางขนเจียมต้องอบัตทุกกดสองตัวกับอบัตนิสักคียาปาจิตตีสําคัญว่าไม่ใช่ญาตจตุกะที่สองภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาตใช้ให้ยอมผลเจียมต้องอบัตนิสักคยาปาจิตตี ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้สังคน์เจียมต้องอบัติทุกกฎกับอบัตินิสักียปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้สักคนเเจียมต้องอบัติทุกกฎกับอบัตนิสักียปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้สัง ใช้ให้สักคนเจียมต้องเอาบัตรทุกกฎสองตัวกับอวบานิสัคียาปาจิตตีสำคัญว่าไม่ใช่ญาติจตุกะที่สาภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางคนเจียมต้องเอาบัตนิสัคียาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางใช้ให้สักขนเจียมต้องเอาบัตรทุกกฎกับอวบานิสัคียาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ ภิกษุสาคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางใช้ให้ย้อมผลเจียมต้องอบัตทุกกฎกับอบัตนิสักียปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช Imp ่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้สางใช้ให้ซักใช้ให้ย้อมขนเจียมต้องอบัตทุกฎสองตัวกับอบัตนิสักียปาจิตตีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎห้าดสิบภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติ ภิกษุใช้ภิกษุณีให้สักคนเทียมของภิกษุอื่นต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ภิกษุณีผู้อุปสมบทจากสงฆ์ฝ่ายเดียวให้ซักต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอบัต